ทีมนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเหรอหรือยังไงจานพจนาอยูไ่ยหไหมเอาหม่ไปให้หน่อยส่งไหมว่าไงค่ะกลับมนมรสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนะคะพวกเราพานักเรียนซึ่งเป็นแกนนำค่ายโครงงานคุณธรรมเรียนรู้กายใจคะ่ะทีมหนึ่งมี10บคนแล้วอามาณ10คนมา1ค น, นะคะ่ะ ประมาณร17คนมีตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย<ม>พร้อมทั้งคุณครูค่ะรวมทั้งคุณซุปเคซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการเรากันดีนะดีแล้วโมทนาตั้งแต่นักเรียนจนถึงอาจารย์เลยศึกษาธรรมะนะดีแล้ว <c oughs> ละคนไหนมีธรรมะก็ชีวิตมีความมั่นคง เราไม่รู้อนาคตของแต่ละคนนะว่าเราจ ะ, ะเผชิญอะไรกับชีวิตบ้างการที่เราเรียนธรรมะไวน้นีเหมือนเราสร้างต้นทุนให้ตัวเองไว้เพื่อจะต่อสู้กับชีวิตแต่ละคนแต่ละคนกนะว่าจะตั้งหลักได้ทั้งตัวได้บางคนล้มลุกลุกลานบางคนตั้งหลักตั้งตัวไม่ได้ทั้งชาติเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะไว้นะเราจะชีวิตเรามีระเบียบมีแบบแผน ไม่ค่อยตุปัตตุเปออกนอกลกูนอกทางโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เยอะหน่อยอยู่กับโลกบางทีเราเระวังเต็มที่แล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งเราไม่คาดฝันในโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องที่คาดฝันไปไม่ถึงมันนําความทุกข์มาให้เราเช่นเราอยู่ดีๆพ่อแม่เราตายไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือว่ามีครอบครัวนะ แฟนเรานอกใจเราอะไรงี้ก็เป็นไปได้ทํางานไปแล้วตกงานหรือกิจการล้มละลายก็เป็นไปได้มีลูกแล้วลูกเกเรทําความหายาณะให้ทําความทุกข์ให้พ่อให้แม่ก็เป็นไปได้อีกอยู่ดีๆยังแข็งแรงอยู่นะอยู่ๆก็เจ็บป่วยขึ้นมาอนะไรเงี้ยเป็นมะโรงมะเร็งเด็กๆก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นหลวงพ่อเคยเห็นที่สถาบันมะเร็งเด็กเล็กๆ เ, เลยก็เป็นมะเร็งนะ เมื่อในชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอ น, นเราก็ต้องศึกษาธรรมะเอาไว้ถ้าคนไหนมีธรรมะไว้เนี่ยเราจะสามารถอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างที่มีความมั่นคงพอสมควรยิ่งถ้าเรามีธรรมะมากๆนะเรารู้สึกแน่นอนเลยที่ใจเราจะไม่ทุกข์โลกนี่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจเราจะไม่ทุกข์นี่ถ้าภาวนาสาเร็จนะถึงที่สุดจริงๆเราจะไม่ทุกข์อีกแล้ว งั้นเราก็ต้องสร้างต้นทุนให้ตัวเองไว้ด้วยการศึกษาธรรมะเอาไว้การศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่การศึกษาอะไรที่ยากๆหรอกอย่าไปคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องยากๆธรรมะเป็นเรื่องห่างไกลธรรมะนี่ต้องเรียนอีกหลายชาติถึงจะสำเร็จไม่ใช่เลยถ้าพวกเราเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะพัฒนาจิตใจของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากเลยใช้เวลาไม่นานหรอก บางคนใช้เวลาเดือนเดียวนะเรียนกับหลวงพ่อเดือนหนึ่งใจก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเคยมีความทุกข์มากๆกนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์สั้นๆจิตใจมันมีความอบอุ่นจิตใจมีความมั่นคงคนในโลกนี้นะทุกวันนี้คนไม่มีความอบอุ่นเลยความมั่นคงก็ไม่มีหรอกทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยลความอบอุ่นก็ไม่มีนะครอบครัวแตกกระจัดกระจายไปอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเรามีธรร ม, มะแล้วนอกจากเียมั่นคงแล้วเรายังอบุ่ญด้วยมันมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองสมมุติเราเป็นลูกกพม้าเราก็มีความสุขนะเพราะเรารู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงอีกท่านหนึ่งของเราก็ยังอยู่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเรานะอยู่ในใจเรานี่เองใจของเราเข้าถึงธรร ม, มะแล้วก็จะเจอพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะพวกเราไม่ได้เจอร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่ว่า ถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงคนใดได้ธรรมะแล้วจะรู้สึกมีชีวิตมีความอบอุ่นไม่ ว, าว้าวไม่ขาดที่พึ่งที่อาศัยเพราะเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนธรรมะนะการเรียนธรรมะไม่ใช่ยากอะไร เ, เราอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธินะเราอย่าไปวาดภาพาการปฏิบัติธรรมว่าคือการเดินจงกรม ต้องเดินสวยๆต้องเดินนานๆไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่หรอกการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเหมือนเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้นเองดูสวยๆแต่เนื้อแท้คือการมีสติของเราจิตเรามีสติจริงไหมจิตเรามีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นจริงไหมเราสามารถเจริญปัญญาได้ถ้ามีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธินี่เป็นเนื้อแท้ของการปฏิบัติ การมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเดินจงกลมอยู่ถึงมีสติต้องนั่งสมาธิอยู่ถึงมีสติเราทําอะไรอยู่ก็มีสติได้นะถ้าค่อยๆฝึกไปเข้าห้องน้ํานี MM ่ก็มีสติได้นะนั่งถ่ายไปท้องผูกท้องไม่ผูกเลยเนี่ยก็เจริญสติได้จะกินข้าวเราก็มีสติได้ทําอะไรอะไรเราก็มีสติได้ยกเว้นเวลาเรียนหนังสือนะเวลาหนังสือไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เวลาเจริญสติปัฏฐาน แต่ต้องมีสติเรียนสิ่งที่อาจารย์สอนคุรเอ่นกันคําว่าจเจริญสติที่หลวงพ่อพูดว่าพูดถึงนะหมายถึงสติปัฏฐานได้แก่สติที่คอยรู้กายรู้ใจสติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติที่รู้อารมณ์อื่นอืนะ่นเรียกว่าสติธรรมดาเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยเราใช้สติธรรมดาจดจ่ออยู่กับการเรียนนะแต่เวลาที่เหลือเนี่ย พยายามมีสติปัฏฐานสร้างสติปัฏฐานคือคอยรู้สึกตัวไว้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยถ้ารู้สึกได้นะความทุกข์มันจะค่อยๆหายไปเองพวกเราสังเกตไหมกิเลสมันเกิดทั้งวันพวกนักเรียนที่เรียนมาแล้วเคยเห็นไหมกิเลสมันเกิดได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดูเดี๋ยวลังเลสงสัยอะไรย่างเงี้ย ใจเราเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะเ๋ยวกิเลสตัวนั้นเกิดกิเลสตัวนี้เกิดทุกคราวที่ใจเราทํางานขึ้นมาเนี่ยภาษาพระเรียกว่าพพอสําเพาพอผ่านพบนะเวลาจิตใจเราหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปทํางานปรุงแต่งอะไรไปก็เรียกมันสร้างพบไปไดนะ้พบมีสองส่วนนะพบหนึ่งเรียกพบโดยการเกิดอย่างเราตอนนี้เราเกิดในพบของมนุษย์ พบของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นกรรมาพบนะถ้าเราเข้าฌา น, นก็เป็นรูปประพบรอรูปประพบอันนี้เป็นพบโดยการเกิดเรียกว่าอุปัติภบตัวนี้ตอนนี้เรามีอยู่แล้วเราเป็นพบของมนุษย์นะเราเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นพบใหญ่ของมนุษย์มีพบใหญ่เป็นมนุษย์แต่มจะมีพบอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่ากรรมาพบกรรมาพบเนี่ยคือการที่จิต ท, ทางานขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราว เมื่ อ, อไรจิตใจเรามีความโลภขึ้นมานะขณะนั้นจิตเราร่างกายเราเป็นมนุษย์จริงแต่ใจเราเป็นเปลตเวลามีความโลภสังเกตไหมใจมีความสุขหรือมีความทุกข์นึกออกไหมเวลาเราอยากโน้อนอยากนี้ใจเรามีความทุกข์นะเวลาเรามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยใจเราก็อยู่ในภพที่เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยจิตใจไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานเจอด้วยโทสะเจอด้วยความทุกข์ตลอดเวลา เวลาเรามีความโกรธหรือเวลาเรามีความทุกข์เราสุขไหมเราไม่สุขใช่ไหมยันเป็นภพของเปรดมีความโลภเราก็มีความทุกข์นะเป็นภพของสัตว์นรกมีโทสะนะมีความโกรธขึ้นมาเราก็มีความทุกขนะ์เป็นภพของสัตว์เดรัจฉานใจลอยตัวนี้ดูยากแนละ้วโมหะใจลอยไปดูยากหลงหลงไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะดูยากแล้วว่าเป็นตัวทุกข์นี้ต้องค่อยค่ยคยฝึกก่อนทีแรกก็จะเห็นได้ภพ ที่มีโทสะอังก็เห็นได้ง่ายว่าเป็นทุกข์พบที่มีความโลภขึ้นมาเห็นได้ง่ายว่ามีความทุกข์ถ้าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะเราก็เป็นพบของมนุษย์ใจเรามีความสุขนะอยู่กับความสุขมีความละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปเราก็อยู่ในพบเทวดาร่างกายเราย่งเป็นคนอยู่แต่ใจเราเป็นเทวดาบาทีเราทาสมาธินะร่างกายเราเป็นคนใจเราเป็นผลมเป็นพระผลมเงียบสงบ ด้นใจเรานี้แหล ะ, สะเสวยพบโน้นสเสวยพบนี้ตลอดเวลาเปลี่ยนพบตลอดคือเปลี่ยนสภาวะนะพูดคําว่าพบแล้วงงแลก็เปลี่ยนมาเป็นว่ามันเป็นสภาวะต่างๆเดี๋ยวใจเราก็มีสภาวะที่เป็นสุขเดี๋ยวใจก็มีสภาวะเป็นทุกข์เดี๋ยวใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหูบางพบหรือบางสภาวะเนี่ยดูง่ายว่าเป็นทุกข์บางพบที่ละเอียดประณีตนะ บางสภาวะที่ละเอียดประณีตดูยากว่าเป็นทุกข์ต้องภาวนากันนานๆอย่างใจของปรมเนี่ยดูยากที่สุดเลยว่าเป็นพบมันมีความสุขมันมีความสงบมีอุเบกขาอยู่องั้นดูยากาใจอื่นๆนะก็ดูง่ายหน่อยใจเทวดาก็ดูยากมีความสุขเยอะไปเวลาพวกเรามีความสุขเรารู้สึกไหมเราจะมกักเฉลิบเหรอเรามากักเฉลินในความสุขเราจะลืมกายลืมใจเพราะันพวกเทวดาเนี่ย เลอะเปล่าเพลินไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเคยศึกษาธรรมะมาก่อนเนะเป็นเทวดาแล้วก็ภาวนาได้อีกถ้าไม่เป็นเคยศึกษามาก่อนมันเป็นหลงหลงไปวันนึงวันนึงไม่มีสาราะรนะเรลยเวลาที่เราเป็นคนนะีใจเราเปลี่ยนภพอยู่ตอลอดเวลามีภพที่ไรมทีทุกทุกทีนี่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้มีภพที่ไรก็เป็นทุกทุกทีเห็นไหมเราโลภขึ้นมาทีหนึ่งจิตมีความโลภขึ้นมานี่เป็นจิตโลภ ในจิตของเพลิแล้วก็มีความทุกข์บางทีเรามีความคิดความเห็นนะเราว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคนอื่นไม่เชื่อเราเร า, มาโมโหเลยนะจะบังคับคนอื่นให้เชื่อตามเราเรายึดในความคิดความเห็นของเราก็เป็นภพชนิดหนึ่งชื่อว่าอสุรกายพวกเจ้าทิติเจ้ามานะเจ้าความเห็นงั้นอสุรกายเยอะนะมุสิธิตของพ่อเนี่พวกเรียนหนังสือมากเนี่ยพวกอสุรกายนะอสุรกายจําแรงมา บางทีก็เป็นเปรตโลภน้นโลภ น, น, นี่อยากน้นอยากนี่เช่นอยากได้มือถือใหม่นักเรียนคนไหนไม่มีมือถือมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อจะได้ชื่นใจเนาะดีมากนะดีมากนักเรียนคนไหนมีมือถือบ้างยกมือสิงั้นๆั้นไม่ชื่นใจ <c oughs> ไม่มีสตางค์สักหน่อยนะหาเงินไม่ได้เลยบริโภคเยอะไปะใช้อะไรบ้างนะส่งมเมสเซจ ส่งอะไรถูกเขหลอกนะหลวงพ่อเคยมีมือถือนะก่อนเนี้ยไอ้มือถือนะเดือนนึืนนะ้นเสียแต่ค่าอะไรเ้าเรียกค่ารายเดือนนะไม่ค่อยมีค่าจ่ายอะไม่ได้ค่าพูดไม่ค่อยมีสังเกตดูเวลาเรามีมือถืออยู่หนึ่งอันพอมีรุ่นใหม่นะเพื่อนเอารุ่นใหม่มาเราอยากไดนะ้มีใครเห็นของเพื่อนใหม่กว่าเ้วก็เฉยๆอุเบกขามีไหม ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่อยากได้นะบางทีเราไปซื้อมานะรุ่นนี้เราว่าซื้อได้ถูกมากแล้วนะซื้อมาได้ราคาราคาหมื่นบาทเราว่าเราซื้อได้ถูกนะเพื่อนมันซื้อมารุ่นเดียวกันเหมือนกันเปียบเลยราคาเกพจากความสุขที่มีอยู่นะกลายเป็นความถูกอีกแล้วหรือเราไม่มีซักเครื่องนะเห็นคนอื่นมีเราอยากอยกได้ไหมใจที่มีความอยากได้ไหมก็มีความถูกแล้วใจที่เห็นของคนอื่นเขาดีกว่านะอิจฉาเขานะ นี่มีความทุกข์อีกเป็นโทสะตะคุณอิจฉากันใจเราเนี่ยหมุนเวียนที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเผา ต, ตัวเองอยู่ตลอดเวลาห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะใจจะโลภก็ห้ามไม่ได้ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้ใจจะหลงใจจะฟุ้งซ่านใจจะหดหู่ใจจะลังเลสงสัยห้ามไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนะแล้วทำยังไงเราถึงจะสู้กับกิเลสไหวพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทันนะ คอยรู้ทันต่อไปนี้ง่ายๆเลยนักเรียนทั้งหลายใจเราโลภขึ้นมาใจเรามีความอยากขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าตอนนี้อยากแล้วใจเราโกรธขึ้นมาหรือใจเรากลัวหรือใจเราอิจฉาหรือใจเรากังวลนี่เป็นตระกูลโทสะนะหวงแหนนี่ตระกูลโทสะนะโทสะเกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยรู้ทันใจลอยไปใจฟุ้งซ่านไปใจหดหู่ไปนี่พวกโมหะเราก็รู้ทันนะใจ มันซึมๆไปเราก็รู้ทันต่อไปนี้ง่ายๆเลยการปฏิบัติธรรมอย่าไปวาดภาพว่าต้องไปนั่งสมาธิมากๆไปเดินจงกรมมากๆหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากนะการเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละคือหัวใจของกรรมฐานเลยหัวใจของการปฏิบัติไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์บอกมาอีกทีหนึ่งว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมากันบอหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทําสมาธิมาก นั่งลูกเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยนั่งเอาความสงบอย่างเดียวเลยท่านบอกทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากพิจารณาธรรมะมากๆนะฟุงซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคือการเจริญสติมีสติในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนนะใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันไปเรื่อยคอยรู้ทันใจของเรา เขารู้บ่อยๆเราจะเห็นเลเดี๋ยวใจก็เสวยภพนี้เดี๋ยวใจก็เสวยภพนี้เดี๋ยวใจเราก็เป็นเปลตเนี๋ยวใจเราก็เป็นอสุรกายเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเดี๋ยวใจเราก็เป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวใจเราก็แช่มชื่นเป็นบุญเป็นกุศลนะก็เป็นเทวดาขึ้นมามีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์เป็นเทวดาใจเราเข้าถึงความสงบบางช่วงใจเราเข้าถึงความสงบใจเราก็เป็นพระผลม เน้ใจเราหมุนไปเรนะื่อยๆให้เราคอยรู้ทันใจนะเราจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจไม่ว่าจะเป็นยังไงนะมันหาความสุขหาความสบายที่แท้จริงไม่ได้แต่ตัวนี้ดูยากนิดหนึง่งโดยเฉพาะจิตที่ละเอียดที่ประณีตเป็นภพที่ละเอียดที่ประณีตนี่ดูยากว่าเป็นตัวทุกข์เราจะเห็นหยับหยับก่อนงั้นเบื้องต้นนะใจเราโกรธขึ้นมาเราดูเลยเห็นไหมใจมันดิ้นเล่าๆหาความสุขไม่ได้เลย ใจมันโลภพึ้นมารู้ทันในใจมันดิ้เร่าๆหาความสุขไม่ได้นะใครรู้ทันใจตัวเองไปอย่าไปบังคับนะอย่าไปห้ามมันอย่าไปควบคุมมันให้รู้ลูกเดียวเลยคําว่าวิปัสนาเนี่ยมาจากคำสองคำน ะ, ะคาว่าวิตัวหนึ่งคําว่าปัสนาคำหนึ่งปัสนาแปลว่าการเห็นนะปัสนาว่าการเห็นวิตรงกับคำว่าวิเศษหนึ่งเห็นอย่างยอดเยี่ยมเลย เห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักษณนี่จะเรียกว่าวิปัสสนาแล้วเราค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจนะเราเห็นกายมันทํางานเห็นกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนใจเราเป็นคนดูมันเราเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูเฉยๆอย่าไปบังคับมันนะก่อนจะรู้ก็อย่าไปจงใจจะรู้พวกเราบางคนพอนาแล้วเครียดเพราะว่าเราทําผิด บางคนภากนาเครียดเนี่ยเพราะว่าก่อนจะรู้เนี่ยจงใจจะรู้เวลาคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มต้นด้วยการส่งจิตไปดูแหวงใหญ่เที่ยวหาใหญ่ว่าจะดูอะไรดีใครเคยเป็นไหมเวลาจะดูจิตเริ่มต้นด้วยกันพยายามไปดูว่าตอนนี้มีอะไรให้ดูอย่างนี้ผิดนะต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาโลบขึ้นมาเรารู้โกรธขึ้นมาเรารู้ลงขึ้นมาเรารู้ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ อย่าไปจงใจดักร อ, อดูถ้ารอดูเมื่อไหร่นะจะเพ่งใจจะนิ่งนิ่งทื่อๆใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้โกรธขึ้นมาแล้ว ร, รู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้ว ร, รู้ว่าโลภลงแล้ว ร, รู้ว่าหลงเห็นไหมให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะเราไม่ได้ห้ามโกรธนะโกรธก็ได้โลภก็ได้หลงก็ได้เราไม่ได้ห้ามหรอกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยรู้แต่รู้ไวๆ ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้ถึงจะรู้อันนี้ช้าไปใช้ไม่ได้โกรธมาและสามนาทีแล้วยังไม่ทันจะหายโกรธระลึกขึ้นได้ละโอ้โกรธเนี่ยอยันนี้ใช้ได้นะแล้วเลยเวลาเราเห็นสภาวะอันใดขึ้นมาเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นอย่าไปจ้องใส่มันดูห่างๆดูเหมือนดูคนเดินผ่านหน้าบ้านเรานะอย่าไปวิ่งตามไปดูเขาดูสบายๆอย่าถล่มลงไปดนะูพอดูเห็นสภาวะใดๆแล้วนะขั้นสุดท้าย อย่าไปแทรกแซงมันรู้แล้วจบลงที่รู้เลยเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหาทางทำให้หายความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหาทางทำให้หายความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหาทางรักษาเนี่ยเป็นการดูที่ถูกต้องก่อนจะดูอย่าเที่ยวสแสวงหามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยดูเอาระหว่างดูอย่าถล่าลงไปจ้องจะกลายเป็นการเพ่งเมื่อดูแลเห็นแล้วนะอย่าเข้าไปแทรกแซง ดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันจะผ่านมาแล้วผ่านไปให้เราเห็นเองอย่าเข้าไปแทรกแซงเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบความดีความสุขความสงบก็ดีเหมือนกันแหละแต่ดีนิดหน่อยสิ่งที่เราต้องการฝึกให้ได้มานะคือความฉลาดความรู้ความเข้าใจเราจะฝึกให้เกิดความฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี้ยเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยเกิดมาแล้วอยู่ไม่นานก็หายไป เราต้องการเห็นตรงนี้ไม่ได้ต้องการเห็นอย่างอื่นถ้าพูดแบบภาษาพระนะบอกยังกินจิสมุ aya, ทะยะธรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแพ้นความโลภเกิดได้ไหมเกิดได้เรารู้แปลความโลภเกิดเราก็รู้เราก็จะเห็นเลยมันอยู่ชว่วคราวแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดได้ไหมก็เกิดได้นะมันอยู่ชว่วคราวแล้วก็ดับความหลงเกิดได้ไหมได้อยู่ชว่วคราวแล้วก็ดับ การที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงว่าหนึ่งจิตมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะรู้เลยว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวนี่เราฝึกมาจนมาเห็นตรงนี้นะถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์จะหายไปเยอะเลย ต่อไปนี้เราจะไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขมากมายแล้วทุกคนในโลกนะดิ้นตะเกียกตะกายอยากได้ความสุขมาอยากได้ความสุขมานนั่ได้มาสวยอยากมีเมียสวยๆ ส, สักคนนะดิ้นรนเลยได้มานะความสุขเหมือนช่วคราวนะเดี๋ยวหนึ่งก็เบื่อแล้วโอ้แก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดโดยังกระหม่อะไร น, นี่ผู้ชายเจอนินทามเมียนะแต่ความจริงกลัวเมียนะถ้าถูนขึ้นหิ้งแต่เวลาเจอเพื่อนต้องทําเก่งไว้ก่อน ผู้หญิงก็ชอบนินทาสามีขี้เกียจสกปรกอะไรก็ว่าไปนะขี้เกียจกินแต่เล่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปความสุขเนี่ยมันชั่วคราวนะไม่มีหรอกความสุขนานๆอย่างเวลาเราได้มือถืออันใหม่รู้สึกไหมมีความสุขใช่ไหมอยู่ไม่นานก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ไม่นานหนนะรอกลุ่มใจอะไรนะรู้ไปเฉยๆเดี๋ยวก็หายไปไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรไม่มีนะ ความสุขถาวรก็ไม่มีกุศลนากุศลก็ไม่มีนะที่ถาวร <talk ing> เราเห็นเราทุกอย่างเกิดชั่วคราวต่อไปพอความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงแล้วเรารู้ว่าชั่วคราวนะเราก็ไม่ต้องดิ้นรนเที่ยวแสวงหาหมันนะหามาทําไมของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เกลียดมันนะเราก็ไม่พยายามต่อต้านมันนะรู้ว่ามันเฉย พอใจของเราหมดความดิ้นรนเนี่ยเรียกว่ามันไม่สร้างภพใจที่สร้างภพคือใจที่ดินน้นรนถ้าใจที่ไม่สร้างภพนนะใจจะมีความสุขขึ้นมาหมดความดินน้นรนหมดความปรุงแต่งหลวงพ่อต้องเทศเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าพลังงานของเด็กเนี่ยมีจำกัดมากเลยเด็กส่วนใหญ่เริ่มหิวแล้วแล้วเด็กอีกส่วนใหญ่นะเริ่มง่วงแล้วรวมวามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยแนละ้วหิวและ ง, ง่วง ท่เาเลยท้องเทศแบบลุยๆนิดหนึ่งนะสรุปง่ายๆนะเด็กๆทั้งหลายการภาวนาเนี่ยไม่ยากอะไรอย่าไปคิดว่าต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เมื่อไหร่เดินอย่างมีสตินะเรียกว่าเดินจงกรมเมื่อเราเดินไปลงอาหารเนี่ยนะเดินอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไปเนี่ยเราปฏิบัติทำอยู่แล้วเรานั่งอยู่ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ใช่ไหมถ้าเรานั่งใจลอยก็ใช้ไม่ได้ถ้าเรานั่งแล้วก็คอยรู้ทัน จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้ทันร waar, น่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้ไปเรืยนี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วเรานั่งสมาธิอยู่แล้วส่วนนั่งท่านี้แล้วก็เคลิ้มเคลิมไปเลยหรือไปนั่งเครียดเครียดอยู่ไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกไม่เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ใจลอยไปหรือว่าใจเครียดเครียดขึ้นมาก็ไม่เรียกว่าเดินจงกรมนะการปฏิบัติทำเมื่อมีสติมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปฝึกนะหลวงพ่อฝึกใช้เวลาไม่นานหรอก พ่อเรียนจากหลวงปู่ดูล7เจ็ดเดือนหนึ่งมาดูใจตัวเองดูผิดอยู่สามเดือนดูผิดตรงพยายามบังคับจิตไปเรียนจากหลวงปู่ดูลปี2525นใครเกิดเด็กๆยังไม่เกิดมั้ง2 5งพเกิดยังยังไม่เกิดหลองนักเรียนอายุยังไม่20สเลยหลงพไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง ไปเนเมื่อวันที่6กกุมภาสองห้าไปหาท่านกลับมานั้นมาดูอยู่3เดือนดูนะจิตหนักๆ ก, ก็แก้มันให้เบาๆจิตไม่สบายก็ทําให้มันสบายจิตไปนี้แก่งี้แก่งี้แก้ไปได้่อจัดการจนกระทั่งแหมจใจเราสบายเก่งเรารู้สึกเก่งแล้วนะไปหาหลวงปู่ ด, ดุลงครั้งที่2ใช้เวลาสเดือนแล้วไปถึงไปส่งกันบ้านท่านนะท่านบอกว่าดูผิดแล้วไปยุ่งกับอารมณ์แล้วไปแทรกแซงมนะัน ไปดัดแปลงสภาวะดัดแปลงอารมณ์เช่นมันโลภขึ้นมาทํายังไงจะหายโลภมันโกรธทำยังไงจะหายโกรธนะมันใจลอยทอยาอยําไงจะไม่หลงเลยหรือพุโทโธพุโทโธที่ถี่จไม่ให้หลงเลยพยายามแทรกแซงมันหนักๆก็หาทางทําให้เบานะพยายามจะเอาดนะีท่านบอกว่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปแทรกแซงมันไปบังคับจิตให้ไปดูใหม่นะหลวงพ่อมาดูใหม่สเดือนรู้แล้วว่าเราต้องไม่แทรกแซง มันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้มันฟุ้งซ่านมันหดหูมันดีใจมันเสียใจมันกลัวมันอิดช้ามันกังวลมันมีความสุขมันมีความทุกข์มันมีอะไรรู้ลูกเดียวเลยหลวงพ่อรู้อยู่อย่างนี้สเดือนใช้เวลาสเดือนหนึ่งไม่มากอะไรพวกเราไปฝึกกันนะบางคนอาจจะเดือนหนึ่งเข้าใจแล้วดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับ ใหม่ๆเรายอมรับไม่ได้นะความทุกเกิดเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้ดับเร็วๆความสุขเกิดเราก็ยอมรับความจริงไม่ได้เราอยากให้ความสุขอยู่นานๆเนี่ทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกอย่างมันดับไปตามเหตุตามผลตามเวลางมันแล้วเราดูของจริงในใจเราเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยถ้าทุกอย่างเกิดแล้วดับใจยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่กลุ่มใจละแฟนเราทิ้ง ต้องกลุ้มใจไหมเห็นไหมมีแฟนมันก็ของชั่วคราวนะมันไม่ทิ้งเราวันนี้ไปแต่งงานกับมันนะวันหนึ่งมันก็ตายไปหรือไม่เราก็ตายจากมันก็ต้องทิ้งกันอยู่ดีแหละนะทุกอย่างมันชั่วคราวนะเพียงแต่ชั่วคราวบางอันมันหลายสิปีหน่อยหลายสิปีแห่งความทุกข์ทรมานนั้นไม่มีหรอกของถาวรถ้าเมื่อไหร่ใจเรายำรับความจริงตรงนี้ได้ใจเราจะทุกน้อยมากเลยนพวกเด็กๆหลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะ ไปดูใจของเราบ่อยๆให้เห็นในทุกอย่างในใจเรานี่ชั่วคราวอย่าคิดเอานะดูของจริงดูความโลภเกิดขึ้นดูซิเธอจะอยู่ได้นานไหมดูเรื่อยๆแต่อย่าจ้องใส่นะถ้าจ้องมันจะนิ่งไปหมดเลยไม่ดีแค่รู้สึกแค่รู้สึกเอาเทนะ่านั้นความโกรธเกิดขึ้นมาก็รู้อ๋อมันโกรธแล้วนะอย่าไปจ้องใส่ตัวความโกรธนะแค่รู้อย่าไปเพ่งใส่เวลาเพ่งใสเนะี่ยจิตเราจะเคลื่อนเข้าไปเกาะนิ่งๆอันนี้ใช้ไม่ได้ เราแค่รู้ใจเราอยู่ต่างหากนะเราเห็นความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นความโลภความหลงความสุขความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านอยู่ห่างๆเราดูอยู่สบายๆอย่าเข้าไปคลุกวงในดูแบบวงนอกไวนะ้ดูอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันสรุปได้เลยจิตจะเข้าใจความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวนะถ้าวันใดที่เราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้เมื่อไหร่เรียกว่าพระโสดาบันเราอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันไว้ลึกลับนะคือนั่งสมาธิเก่งเดินจงกรมโต้รุ่งได้ไม่จําเป็นหรอกพระโสดาบันบางองค์พิการเดินไม่ได้ก็มีไม่ใช่ต้องเดินได้ตลอดนะบางองค์ก็นอนเป็นอมภภาพนอนป่วยอยู่เขาก็ภาวนาของเขาได้ไหมไม่จําเป็นมันอยู่ที่ว่าเขามีสติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเขาไหม ถ้าเขามีสติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเขาโดยที่เขาไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปเพ่งจ้องนะไม่แทรกแซงไม่เพ่งจ้องนะแล้วก็ไม่แทรกแซงไม่นานเขาก็จะเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดเราดับต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะไม่กังวลมากแล้วร่างกายเราจะแก่ร่างกายเราจะเจ็บร่างกายเราจะตายเพื่อนรักของเราจะตายเพื่อนรักของเราจะย้ายโรงเรียนใเนะี่ย ครูที่เราชอบคนนีนะ้จะไม่อยู่แล้วจ ะ, กะเกษียณแล้วอนะไรี้ครูที่เราเกลียดนี่ยังหนุ่มอยู่ต้องอยู่อีกนานอนะไรนะีนะ่เราใจเราจะไม่กังวล น, นะถ้าคนไหนครูคนไหนเราเกลียดนะมันก็วันหนึ่งก็ต้องจากกันใช่เราไม่จากครูครูก็จากเราทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวหมดเลยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะทุกวันนี้คนเราดิ้นรน มีความทุกข์ขึ้นมามากมายดินน้นรนขึ้นมามากมายนะเพราะได้อยากได้ของไม่จริงนะอยากได้ของที่เที่ยงอยากได้ของที่มีแต่ความสุขอยากจะบังคับกายบังคับใจบังคับโลกนี้ให้อยู่ในอำนาจให้ได้เนมะันเป็นของที่มันไม่มีจริงของจริงคือมันไม่เที่ยงนะของจริงคือมันมีแต่ทุกข์ของมันจริงจรงคือมันบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะพวกเด็กๆสอนเด็กสอนแค่แนี้พอละ พวกเด็กๆที่ภาวนารู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงรู้สึกไหมมีความสุขรู้สึกไหมแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆนึกออกไหมยังแต่เดิมนะั้นเรานึกว่าเราตื่นนะแต่จริงๆไม่ตื่นเราฝันอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายเนี้ลืมตาอยู่แต่ตอนนี้เราภาวนาเริ่มภาวนาเป็นนะมันเหมือนใจเราตื่นขึ้นมาจริงๆภาวนาได้ดีเยอะเลยนะเด็กๆหลายคนเลยดีๆเยอะเลยเด็กๆ ใครสอนมาเนี่ยเขาเรียกว่าครูดีนะดีหลายคนเลยไม่ได้ไม่ได้สอนเองหรอกค่ะใช้สื่อจากซีดีหลวงพ่อเนี่ยแหละค่ะใช้นังสือของอาจารย์ซุขของอาจารย์ทีรยุทธอะไรประมาณนี้นะคะดีเรียนมาแล้วตื่นตื่นขึ้นมานะคนที่หลวงพ่อชมไปแล้วนะอย่าพยายามรักษาไว้นะ ถ้าวิจะต้องรู้ตัวตวลาดเวลาหลวงพ่อชมแล้วต้องรู้ตัวตวลาดเวลาจะเป๋เลยคราวนี้ใช้ไม่ได้เลยจิตสับตัวเป๋เลยใจเย็นๆเรียนรู้ไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะพระอราหันต์เจ็ดขวบก็มีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะพระองค์นี้ท่านโด่งดังมากเลยมีชื่อเสียงมากนะชื่อพระโปธีระพร่เดิมท่านไม่ชื่อโปธิระ แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระอุทธเจ้าเรียกว่าโปรธีละโปวธีละแปลว่าคำผีที่ว่างเปล่าหมายถึงจำแต่คำผีได้นะแต่ในใจไม่มีธรรมะพอน้ไม่เป็นเพราะท่านถูกเรียกบ่อยๆท่านอายท่านก็เลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าไปเรียนกรรมฐานออกไปตามวัดนะวัดในป่าเข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เลยบอกผมมาขอเรียนกรรมฐาน อาจารย์บอกว่าโอ้สอนให้ท่านไม่ได้หรอกท่านรู้พระไตรปิฎกหมดแล้วผมไม่รู้เลยไม่ยอมสอนนะพระโพธิละก็ไปเรียนกับพระรองลงมาเรื่อยๆในที่สุดนะั้นเรียนไปขอเรียนจา ก, กใครเขาก็ไม่สอนให้นะจนไปถึงเนนอายุเจ็ดขวบเองขอเรียนกับเนนเนนบอกว่าผมสอนให้ก็ได้นะ น, น, น, นี่เนนนิเทศมากเลยไม่มีใครเ้าสอนนั้นผมสอนให้ก็ได้นะแต่ท่านอาจารย์ต้องเชื่อฟังนะนอ่ พระโพธิละนะบวชมาตั้งหลาย10ปีแล้วเอา้เอาจะเชื่อฟังอาจารย์เนนนะเนนสั่งเลยท่านอาจารย์เนี่ยใส่จีวรสวยงามจีวรผ้าไหมผ้าแพรเนี่ยลุยลงไปในคลองเลยลุยลงน้ําไปเลยพระโพธิละใจเด็ดนะอาจารย์สั่งให้ลุยน้ําก็ลุยนะถ้าเป็นพวกเราจะต้องถามว่าลุยทําไมครับนี่ใส่ยอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อบอกไปพุโทโธพุโทโธทําไมคะเนี่ยนี่พระโพธิละนะั้นเนนสั่งให้ลุยน้ําท่านลุยเลยนะ เลยลงไปพ่อชายจีวันถูกน้ำเน่นเงเอาละพอละแล้วเนงก็สอนธรรมะว่ามีจำปลวกอยู่จำปลวกหนึ่งนะมีรูอยู่หกรูมีเชี่ยตัวหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ข้างในมันวิ่งเข้าวิ่งออกในทั้ง6รูให้ท่านอาจารย์อุดซะห้ารูรเฝ้าอยู่รูเดียวมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วท่านอาจารย์ก็จะจับมันได้พระโพธิละปิ้งเลยรู้วิธีปฏิบัติแล้วรูอันเดียวคืออะไรคือใจเรานี่เอง ตาหูจมูกลิ้นกายนี่หรูนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นี่ยังไม่มีปัญหาอะไรให้เรารู้ทันที่ใจของเราไว้กิเลสคือตัวเฮียนี่แหละโผล่ขึ้นที่ใจเราพอเฮียมาแล้วเรารู้ทันนะเฮียมาแล้วพอเรารู้ทันเดี๋ยวเฮียก็ไปเองแหละนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนี่พระโพธิละนะเรียนธรรมะกระเนนเจขวบรรลุพระรหันธ์นะบรรลุได้ งั้นเรียนธรรมะนะอย่าถือสานะบางคนเขาเก่งกว่าเราถึงเขาเด็กกว่าเราเราก็เรียนกับเขาได้นะอาจารย์จะเจญเนี่ยวันนึงลูกสิษย์เก่งกว่าก็เรียนด้วยได้นะเอาเด็กๆไปกินข้าวผู้ใหญ่ตามเด็กไปกินด้วยนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ